เปล่าครับไม่ได้จีบครับไม่ได้แอบมารอเธอเลยจริงๆก็แค่บัเอิญแวะมากม็เลยแวะมองเพื่อเธอต้องการอะไรเปล่าครับไม่ได้ห่วงครับแค่จะตาทางเดียวกับเธอพอ ด, ดีก็แค่อยากดูหน้าเธอมันดสดใสดีเปล่าเลยไม่มีอะไรทุกทีที่เจอ คไม่ได้เก็บเอาเธอไปเพิไปฝันก็แค่มีรูปเธออยู่บนผัวเดียงเพื่อมองหน้าเธอตอนนอนเปล่าครับไม่ได้อาบรักไม่ได้กาเอาใจจะมารวมกันก็คนไม่มีน้ำยาจีบใครไม่เป็นจีบเธ อ, อยากินเธอตายทุกทีที่เจอไป่ได้ตั้งใจไม่ แตทุกที่ปันบั ง, งเอิรพอดีไปเลยลวดลายมันไม่เป็นไม่เป็นยันเธเข้าใจไม่มีอะไรจริงจรงก็ไม่ไชอเธอเจอเจอเราเจเจเราเจเจอเราเจเจเราเจอจริงเจเจเราไม่มีอะไรจรงจรก็ไม่ได้ชอบเธ คิก็ยังไม่เคยเธอสวยจังเลยจะไปรักอะไรกับเธอ มากมามันบังเอิญผ่านเอิญเจอกันทุกที่มันบังเอิญพอดีไม่ได้รู้อะไรมันไม่เป็นไม่เป็นอย่างจะอเข้าใจไม่มีอะไรจรงจก็ไม่ได้ชอบเธอเจ้าเจ้าเจาเจาดเจอาเจาดเจ้าเจ้าเจ้เจอาเจ้าเจ้าไม่มีอะไรจรงจงก็ไม่ได้